เชาวๆอย่างนี้ก็คงเย็นสบายมีความรู้สึกที่แปกใหม่ไปอีกแบบหนึง่งจะหาบรรยากาศอย่างนี้ก็คงยากเขาเรียกว่าปริวาสกรรม การมาที่นี่เรามาด้วยความตั้งใจที่จะละความโรธความโกรธความหลงละทิ้งความทุกข์สลาความสุขของตัวเองเพื่อเป็นการฝึกใจฝึกความรู้สึก ที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาจิตที่ถูกฝึกตีแล้วก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกที่แท้จริงว่ามนุษย์เกิดมานั้นทุกข์กระยึดไม่ได้ สุกก็ยึดไม่ได้เหมือนทรัพย์ภายนอกเนี่ยเราก็ยึดไม่ได้เช่นเดียวกันบางคนไม่เคยถูกฝึกไม่เคยมานอนมากินมาปฏิบัติเพียงแต่ได้รับรู้เขาเล่าพูดกันมาว่าไปวิปัสสนามา ไปปฏิบัติมาคนที่ไม่รู้คำว่าไปฝึกวิปัสสนามาปวิปัสสนาก็คือตัวปัญญาสมถะก็คือการพิจารณาก็คือการฝึกสตินั่นเองคนเรานั้น เกิดมาก็รู้แต่พ่อแต่แม่ถูกพ่อแม่ฝึกปือมาตั้งแต่เล็กเมื่อพ่อแม่ฝึกปือไม่พอก็ส่งไปให้ครูบาอาจารย์ไปฝึกเรียนรู้วิชาอาคมก็คือวิชาการต่างๆฝึกให้มีคณิตศาสตร์คือบวกลบคูณหาร ไปปึกวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาต่างๆที่ครูบาอาจารย์ก็สอนตามโรงเรียนตามมหาลัยสรุปแล้วการถูกฝึกการใช้ชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบมหาลัยจนจบด็อกเตอร์ ไม่ได้เป็นการถูกฝึกชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่เป็นวิชาที่แท้จริงแต่ในขณะนี้เนี่ยท่านทั้งหลายท่านกำลังฝึกสติสติคือความรู้ตัวตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่า จะต้องต่อสู้กับธรรมชาติจะต้องมีความยากลำบากในการกินการอยู่การนั่งการเดินการนอนการขับถ่ายหนักเบาทั้งสิ้นเราจะต้องฝึกตัวเองเนี่ยปรับอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้เข้ากับคนอื่นที่ไม่ใช่พี่ใช้น้องเรา บางคนก็ไม่เคยกวาดเคยถูบางคนก็ไม่เคยนอนกลางป่ากลางเดนกลางร ก, กลางทรายอย่างนี้บางคนก็ไม่เคยอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นมากทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้นี่เป็นวิชาที่เราได้ฝึกด้วยความรู้สึกของตัวเอง ชั้นใดก็ชั้นนั้นการเรียนวิชาการต่างๆเพื่อจะให้ไปใช้ชีวิตที่จะต้องอยู่บุคคลอื่นต้องอาศัยวิชาอาวิชาอาคมทั้งหลายถ้าทางพระเรียกว่าวิชาอาคมถ้าเป็นคารวะาก็เรียกว่าวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำต่างๆก็จะต้องฝึกให้เข้ากับสังคมให้ได้ก็จะต้องปรับเรียนรู้ต่างๆให้กับมนุษย์ที่ร่วมอยู่ร่วมการทำงานการใช้ชีวิตให้ได้เหมือนพ่อแม่ฝึกให้กับลูก คนที่เป็นพ่อเป็นแม่พอเริ่มแรกเริ่มจะแต่งงานใครมาสอนเราเราจะต้องสอนตัวเองทั้งสิน้นเมื่อเราสอนตัวเองแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องอาศัยพึ่งพ่อพึ่งแม่คำว่าพึ่งเนี่ยมันก็เกาะ อ, อยู่แล้ว พึ่งนี่มันเจ้าเกาะตามกิ่งไม้เนะกาะตามต้นไม้ที่ต้นใหญ่ๆตอนเล็กๆ เ, เราก็ต้องอาศัยเกาะผู้ใหญ่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เข้าใจของสัจจะคือความจริงความจริงมนุษย์เกิดมาเนี่ยก็มีตัว ความสุขกับตัวความทุกข์เท่านั้นแต่ทำไมองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าความทุกข์เนี่ยเราก็ยึดไว้ไม่ได้เราไปจริงจังกับมันเองไปยึดมัน่นถือมั่นกับมันเองจึงมีความทุกข์อะไรคือความทุกข์ถ้าเราก็ยึดความสุขไม่ได้ และอะไรคือทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเราค่อยๆมองเข้าไปที่ใจของเราที่มันเต้นทุบๆอยู่เนี่ยเราเนี่ยไม่เคยเข้าใจตัวเองไม่เคยมีสติรู้ตัวรู้ ต, วตนว่า โอ๋นอใครจะมาเข้าใจรู้ใจเราเท่ากับตัวเรารู้ตัวเราเองก็คือสติที่เขาไปปฏิบัติกันเขาไปปฏิบัติให้ละห่างจากความหมกมุ่นจากอารมณ์ต่างๆที่เราอยู่บ้านเราอะอยู่ในที่ทํางานอยู่กับครอบครัว เกี่ยวกบความรู้สึกซ้ำแล้วกว็ซ้ำไปทาแล้วก็ทําทไปเขาเรียกว่าซ้ำซากเราก็ค่อยมองใจเราด้วว่าโอ๋นานี่หรือวันและคืนวันคืนที่เรามาอยู่เนี่ยหมดไปสองวันกับอีกสามราตรี หนึ่งวันเนี่ยมียี่สิบสี่ชั่วโมงที่เรามาอยู่ถึงสามวันแล้วสองวันแล้ววันแรกเราก็หมกมุ่นวุ่นวายต่อการหาที่อยู่อาศัยเมื่อเราได้มีที่อยู่อาศัยก็วุ่นวายไปหมด กว่าจะกางเท็นท์ได้กว่าจะหาอุปกรณ์ต่างๆได้กว่าจะหาที่ที่เราจะอยู่ตรงไหนตรงนั้นตรงนี้บางคนก็โยกไปย้ายมากว่าจะลงหลักปักฐานนี่มันวุ่นวายจริงๆชีวิตแต่สรุปแล้วความวุ่นวายเนี่ยมันหาข้อยุติไม่ได้เลย ถ้าเราไม่มีสติมีความรู้พึงพอใจในสิ่งที่เราปัถนาเมื่อเราได้สมปัถนาก็รู้สึกมีความยินดีมีความพอใจรู้สึกมีความสุขที่เราได้สร้างเต้นได้ทตาตรงนั้นตรงนี้ยึดที่บ้านไม่พอ ก็มายึดที่วัดอีกมายึดที่หลวงพ่ออีกอยังแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันนอนอย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะต้องต่อสู้กับการเวลาบางคนก็มีเวลาไม่กี่วันจะต้องกลับไปทำงานอีกแล้วบางคนก็ยังหาที่ลงไม่ได้ ยังละสัมละสายยังติดสบายไปนอนที่บ้านบ้างไปนอนที่วัดใหญ่บ้างบางคนก็เจาะช่องน้อยเฉพาะตัวขดคุดคู่อยู่องค์พ่อไดีได้มองพิจารณาหาเหตุหาผลว่าโอน้อชีวิตคนเราต่างวาลต่างกรรม ความยินดีพอใจทั้งสิ้นบางคนก็สมัตะชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยอาศัยเขาอย่างเดียวกระทั่งที่กินก็อาศัยเขาไม่คิดที่จะต้องป ฟ, ฟ้าช่วยเหลือผู้อื่นบางคนก็อาศัยนอน ไปซุกตามเต็นเขาไม่มีปัญญาที่จะต้องไฟฟ้าหาเป็นของตัวเองบางคนก็เดินไม่เป็นก็พยายามจ้องว่าใครจะขึ้นจะลงแล้วก็ใจเลือกด้วยนะเลือกขึ้นรถยี่ห้อดีๆบางคนก็ไปหากลุ่มที่เขาดูดี ก็จะได้ดูว่าเราดีเหมือนกับเขาด้วยบางคนก็เข้ากับใครไม่ได้ก็ไปซุกตามป่าก็ชอบแอบดูคนอื่นว่าเขาจะทำอะไรจับผิดคนอื่นบางคนก็หิวตลอดเวลากักตุนใส่ถุง บางคนก็มีสิ่งของอะไรที่จะฟอกไฟไฟฟ้าเอามาเป็นของตัวเองได้แง่ซ้ายแหลขวาก็หิ้วน้ำหิ้วท่าเขาไปเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคของตัวเองโดยที่ไม่คิดจะจุนเจือเพื่อแผ่ผู้อื่นหลวงพ่อก็ได้นั่งมองทำงานไปด้วย บางคนก็ไปยืนเท้าเอวบางคนก็หลบหลบซ่อนซ่อนไม่จับไม่ฟ้าพอก็ททำเสร็จเรียบร้อยก็ไปจับจองจับจ่องสรุปแล้วต่างความคิดต่างกรรมต่างวาละคนที่จะคิดได้นึกออก ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้จะต้องมีความพยายามมีความขยันหมั่นเพียรเห็นพระเห็นเนนเห็นแม่ชีเห็นอุบาทรงอบาสิกาก็มีความรู้สึกว่าโอ๋โนอชีวิตใครเป็นผู้หลิกเหน เป็นผู้ริเิตสติใครเป็นผู้ฝึกเราเราก็ต้องมาฝึกสติของเราว่าสิ่งไหนควรเชื่อสิ่งไหนควรทำกับไม่ทำสิ่งไหนควรยึดกับสิ่งไหนไม่ควรยึดทุกคนมีสภาพร่างกายเหมือนกันหมด มีหูมีตามีมือมีปากมีเท้ามีอาการ32เหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงและชายอุปโภคบริโภคทั้งปากถ่ายออกทางวาวรหนักวาวรเบามีหูได้ยินเหมือนกันหมดมีตาก็มองเห็นเหมือนกันหมดแต่มีสติ มีความรู้ตัวเนี่ยที่ถูกฝึกมาที่เป็นสัญดานเรียกว่าอุปนิสัยที่มันเนิ่นนานติดตัวเรามาพยายามคิดให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนเขาเห็นว่า เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพื่อเขาจะได้ชื่นชมเราแต่ในขณะเผอเนี่ยสันดอนเรียกว่าสันดานก็คืออุปนิสัยเดิมที่เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่หลายพบหลายชาติตั้งแต่ชาติที่กำเนิดในเผ่าพันธุ์ของตัวเองพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิด ในรูปในนามในรูปลักษณ์ในสถานภาพของกรรมที่เกิดขึ้นตามสภาพของบุญนำกรรมแต่งคนที่ไปเกิดในสภาพของกรรมดีก็ไปเกิดในครอบครัวที่มีกินมีใช้คนที่ประกอบกรรมไม่ค่อยดี แต่ยังได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดคนที่ตระกูลที่ยากจนบางคนเกิดมาก็อยู่กับตากระยายอยู่กับพี่ป้านอาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่บางคนเกิดมาก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่คนไหนบางคนเกิดมาไม่ค่อยจะสมบูรณ์เรื่องของสติปัญญา รูปรักษ์ว่ากำเป็นไปตามสภาพของบุญนำกำแต่งแต่พอเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองเริ่มแรกพอแม่ปู่ย่าตายายก็ช่วยเหลือพวกเรามาพยายามฝึกปือในวัดเขาอิธิสุขโตก็เห็นเด็ก แม่ชีก็เลี้ยงเด็กคารวะก็เลี้ยงเด็กที่อยู่ในวัดเขาอิติสุกโตก็เห็นกันหมดคนแก่คนชราคนป่วยคนไข้คนหนุ่มคนสาวคนที่มาประพฤติดีปฏิบัติชอบคนที่เสียสละคนที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวมีทุกสิ่งทุกอย่างแม่นบนเขาในป่าก็มีหมด คนอ้วนบางคนผอมบางคนทำบางคนไม่ทำฉันได้ก็ฉันนั้นตามสภาพของสติปัญญาร้อนต้องมาฝึกปือทั้งสิ้นเราอยู่บ้านเราเราก็ต้องทำงานเราอยู่ที่ไหนก็ต้องทำงาน ไม่ว่าจะมาเป็นพระภิกษุสามเนรเราก็จะต้องทำงานทำหน้าที่ในที่ที่เราอยู่ในในสภาพที่เราอยู่เราอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็ต้องใช้เราทำน้่นทำนี่พ่อแม่ก็ต้องใช้โดนปู่ย่าตายายใช้ทำน้่นทำนี่เช่นเดียวกัน คนมีวิบากกรรมมากเกิดมาก็รับใช้ก็ตั้งแต่เกิดเกิดมาก็ยังไม่รู้ภาษาเลยก็ถูกเคียนถูกตีถูกด่าถูกว่าบางคนก็เกิดมาถูกเขาชื่นชมตั้งแต่เล็กมีความน่ารักมีความชื่นชม มีคนเลี้ยงหลายคนมากบางคนเกิดมาแทบจะไม่มีใครเลี้ยงหรือสัตว์ว่าเกิดจริงๆนี่คือต้นกำเนิดแห่งกรรมเมื่อเกิดมาแล้วเราจะต้องกักกรรมใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์ความสุขค่อยๆเข้าไปละค่อยๆตั้งสติมองใจเข้าไว้ พยายามค่อยคิดตามหลวงพ่อไปว่าเออเนาะไม่ว่าจะเกิดในวงตระกูลน่นำรวยแค่ไหนมีรถมีบ้านมีแก้วแหวนเงินทองก็ไม่พ้นกับการร้องไห้เสียใจก็ไม่พ้นกับความสุขที่รู้สึกว่ามันสุขได้ยิ้มในหัวเราะ ได้สมปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองต้องการเดี๋ยวก็ไม่ได้ต้องการอารมณ์ที่เกิดรู้สึกชอบเมื่อทำแล้วมันรู้สึกว่าเราสมปรารถนาตามความที่เราต้องการเราก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขสมปรารถนาเช่นความรักเมื่อเรารักปรารถนาอยากได้สิ่งใดเนี่ย เมื่อเราได้สมหวังก็คือได้การจับได้ยึดมั่นถือมั่นเอาสิ่งนั้นมาเป็นเจ้าของเอามาเป็นของเราตามที่เราคิดเนี่ยรู้สึกเราเราได้สมปรารถนาเราก็ลองมองซึงว่าการสมปรารถนาของเราเนี่ยมันคืออะไรแน่ สิ่งของที่เราปรารถนาในโลกนี้เนี่ยแหวนเราก็มีแล้วเพชรนินจินดาเงินรถบ้านความรักลูกเมียผัวที่ดินเราก็มีหมดน้ำร้อนน้ำชาอาหารเรารู้สึกว่าเราได้หมดแล้วสัมผัสได้หมดแล้ว ลองถามความรู้สึกใช่ว่าเราต้องการอะไรแน่และความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรแต่หลวงพ่อความสุขของหลวงพ่อก็คือการนอนหลับในขณะหลับเนี่ยเราเหมือนคนตายหลวงพ่อเนี่ยอยากปรารถนาในการหลับเนี่ยให้มันหลับสนิท ให้เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยไม่มีอารมณ์ฝันร้ายไม่วิตกกังวลว่าโอ้โนอคนนั้นจะเป็นอย่างนี้คนนี้จะเป็นอย่างนั้นในขณะที่นอนเนี่ยหลวงพ่อก็นอนคิดเอามือประสานที่หน้าอกโอ้โนอ กว่าเราจะนอนได้ร่างกายกว่าจะได้มาพักมาเอนหลังยืดได้โดยที่ไม่ต้องยืนเนี่ยมันทั้งหลายชั่วโมงขนาดร่างกายเรายังปวดเมื่อยเหนื่อยล้าไปหมดเลยขนาดเอนหลังแล้วไต่ความคิดปรุงแต่งเนี่ย มันก็ยังเข้ามาอีกแทนที่เราจะเอนพักผ่อนทางกายไม่พอทางความสมมุติเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอีกสมมุติว่าเดี๋ยวก็แวบไปคิดถึงคนนั้นเดี๋ยวก็แวบห้องน้ำมีน้ำไหมนาอพรุ่งนี้ จะทำกับข้าวอะไรดีจะเลี้ยงญาติโยมมันคิดไปปรุงแต่งไปขนาดเราได้เอนเอนกายไอ้กายเนี่ยเราพามันไปทั้งวันแล้วพอได้รู้สึกว่าได้พักเนี่ยเรารู้สึกดีใจเราก็มานั่งนอนพิจารณาว่าโอ๋นอ้อคำว่าป่าช้าเนี่ย นี่มันป่าเถื่อนจริงๆชีวิตนี่มันป่าเถื่อนมากเราต้องกากกรรมใช้ชีวิตใช้เวลาไปอีกมากน้อยเพียงไรถึงจะได้นอนแล้วไม่ลุกเลยนอนแล้วไม่รู้จักความเจ็บความเมื่อยความปวดนอนแล้วไม่รู้จักความสุขความทุกข์ ไม่ยึดมัน่นถือมั่นได้ก็คือความตายก็ค่อยๆมราณานุสติมองเห็นดอกไม้อยู่ที่มือทูบสามดอกมีเทียนหนึ่งเล่มเราก็ไม่รู้ว่าเราจะนอนตายท่าไหนวันนั้นมันจะมาถึงเราวันไหนก็นั่งพิจรารณาว่าโอ้น้ คนที่เรารู้จักก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้บ้านช่องพี่น้องเราก็ไม่สามารถจะเอาไปได้รูปเมียรทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองเราก็ไม่สามารถเอาไปได้เราคงเหงาหน้าดูขณะที่เราดับลงไปแล้ว เพราะมาคนเดียวจะต้องไปคนเดียวในขณะที่เราอยู่ร่วมกับมนุษย์กว่าจะได้เจ อ, เจอกันเราจะต้องพูดดีทำดีเราจะต้องมีมิมตรไมตรีดีต่อกันดุจที่เราอยู่กับพี่กับ น, น้องอ๋อตัวเมตตามันอยู่ตรงนี้เองเหรอ ชีวิตเราได้ปรุงแต่งทั้งวีทั้งวันไม่เคยได้มีการเสียสละเวลาให้กับคนอื่นบ้างไม่เคยคิดที่จะมองตัวเองได้ตลอด24ชั่วโมงได้แต่มองคนอื่นเห็นคนนั้นสวยบ้างเห็นคนนี้หล่อบ้าง เห็นคนนั้นเขารวยขับรถ ด, ดีๆบ้างเห็นคนนี้มันทำไมยากจนเดี๋ยวก็นึกว่าอยากกินนั่นกินนี่อยากได้นั่นได้นี่อยู่ตลอดเวลาเลยโอ้เนอความคิดเราเนี่ยไม่สามารถจะหยุดไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้เลย มันปรุงแต่งไปตลอดเวลาเอ๊มเรามามองแล้วว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยอ๋อก็คือความว่างเปล่าองค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฝึกรักความโลภความโลภก็คือความอยากเมื่อเราอยากได้นั้นได้นี่ ก็จะต้องมองเห็นก่อนเราถูกฝึกตั้งแต่พ่อแม่เราถูกฝึกตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราฝึกตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยเขาฝึกที่ใช้ชีวิตโดยที่ให้อยู่ร่วมกับคนอื่นเอาไปใช้ให้ได้มีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบไม่ได้ทำอย่างนี้ก็จะได้แก้วแหวนเงินทองมาแต่งตัวอย่างนี้ก็จะได้สวยได้หลอ่อมีรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ก็จะรู้สึกว่าสมหวังร่ำรวยตามปัตนาคนไม่มีก็ไฝ ฟ, ฟ้าดินลน คนที่มีแล้วก็ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นจนถึงหมดเวลาเมื่อหาตัวเองใช้จนหมดเวลาของตัวเองก็หาเผื่อลูกเผื่อล้านอีกบางคนสะสมที่ดินเนี่ยฉนโฉนดเป็นตู้ตู้เลย บางคนมีเป็นร้อยร้านพันร้านไอ้ที่ทะเลาะกันนี่แหละก็เพราะว่าแก้วแหวนเงินทองทะเลาะกันก็คืออำนาจที่ไปเฮลลวเฮลลอยู่ในกทมเนี่ยถ้าเกิดพลาดท่าเสียชีวิตรูกเมียจะทำอย่างไรถ้าพลาดท่ารูก ครอบครัวทรัพสมบัติที่เราเนี่ยสะสมมาเนี่ยจะทำอย่างไรถ้าเกิดมีการตายเสียชีวิตใครเป็นคนเสียใจประเทศชาติเสียใจเหรอที่ไปกันอยู่ทุกวันนี้รัฐบาลก็ไม่ยอมเสียอำนาจ ฝ่ายค้านก็ไม่ยอมเสียอำนาจเอาเรื่องเอาประชาชนมามาต่อรองเอากฎหมายมาเป็นข้อบังคับเราก็แย่อยู่แล้วทุกวันนี้เราก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านหากินก็จะไม่พอปากพอท้องชีวิตก็ลำเค็นอยู่แล้วไม่รู้ว่าสุขทุกข์คืออะไร ชีวิตไม่รู้ว่าจะตายแบบไหนชีวิตไม่รู้จะหิวหอบสังขารเนี่ยคนแก่เนี่ยเหนื่อยมากคนแก่เนี่ยนั่งเฉยๆยังเหนื่อยเลยเพราะร่างกายเนี่ยเหมือนเครื่องยนต่มันสุดโทมมันลากลากโครงสร้างของตัวเองไปไม่ได้รถเก่าเนี่ยมันแก่มากมันเก่า ิมันยังไม่ค่อยจะติดเลยเมื่อติดแล้วมันก็ลากโครงสร้างมันเนี่ยก็ไม่ไหวใช้อะไรก็ไม่ได้เขาก็เลยไปถอดทิ้งเอาไปจอดทิ้งไว้ชั้นใดก็ชั้นนั้นคนแก่ก็เหมือนกันนั่งหอบหายใจเหนื่อยอย่ว่าจะเดินเลยอย่าว่าจะกินจะนอนเลยคนแก่ในเมื่อ การหายใจเนี่ยมันเหนื่อยมากเนี่ยก็เหมือนเราขณะเหนื่อยเนี่ยกินน้ำได้ั้ยในขณะที่เราเหนื่อยเนี่ยทานอาหารได้ไหมในขณะที่เราหอบเหนื่อยเนี่ยเราจะยิ้มได้ไหมในขณะที่เราหอบเหนื่อยเนี่ยเราจะมีความสุขได้ไหมลองนึกไป เออเนาะชีวิตเราก็จะต้องเก่าต้องแก่เสื้อผ้าลิปสติกขนตาทรงผมก็จะต้องโทรมแต่งไม่ได้ไม่มีแรงหวีกระทั่งผมตัวเองไม่มีแรงเดินที่จะไปอาบน้ําไม่มีแรงที่จะเดินไปเหนือไปใต้หอบเหนื่อย แม้แต่ตัวเองก็หอบจนไม่มีความสุขเห็นคนแก่ไหมจะวิ่งเล่นกับลูกกับหลานจะเอาแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินเอามาห้อยเอามาคล้องคนแก่จะทำยังไงมันก็ดูไม่สวยไม่งามเด็กเห็นยังกลัวเลยฟันก็หักหมดตาก็มองไม่เห็น หัวก็งอหนังก็เหี่ยวมือก็หยิกๆิงอๆหัวห่ามค้เข่าเนี่ยก็งอไม่ได้นใส่พุงก็เฟสหนังก็เหี่ยวสิคโคงกีสซี่ก็มองเห็นลองนึกไปว่าเออสภาพที่เราแก่เนี่ยก็เหมือนรถเก่าๆที่เขาจอดทิ้งไว้ ซ่อมแล้วก็ซ่อมอีกอะไรที่มันเก่าแก่เนี่ยมันไร้คุณค่าไร้ประโยชน์จริงๆชีวิตเราก็มองเห็นวันปายรู้รู้หมดทุกอย่างแต่ในขณะที่เราแข็งแรงเนี่ยเราจะทำยังไงในชีวิต บางคนเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งแต่ไม่มีสมองก็คือความคิดก็คือสติปัญญาเนี่ยไม่เข้มแข็งยิ่งสมัยนี้คนเราเนี่ยฝึกแต่ความฝึกแต่สมองฝึกแต่หูตาไม่เคยฝึกช่วยเหลือตัวเอง ลองสังเกตคนสมัยนี้หุงข้าวก็ไม่เป็นทำงานก็ไม่เป็นก็ใช้กรอบสี่เหลี่ยมที่เ็ามีแสงเนี่ยก็เรียกว่าไอทีก็คือโทรศัพท์จะไปพิษณุโลกก็กดดูไลน์กดดูว่าเออคำว่าพิษณุโลกเป็นจังหวัดอำเภอตำบล น, นี้ก็กดหา ก็รู้หมดข้อมูลรู้หมดจะทำอะไรก็รู้หมดคือฉลาดรู้แต่ไม่ฉลาดทำทำก็คือธรรมชาติทำก็คือสัจธรรมคือไม่รู้ตัวเองนั่นเองการู้ว่าชาวไร่ชาวนารู้ว่าข้าวรู้ว่าอาหาร แต่ว่ารู้ว่าจะต้องบริโภคอย่างไรที่จะทำให้มีร่างกายดีบริโภคอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดรู้หลักเกณฑ์หมดแต่ไม่รู้แหล่งและไม่รู้เหตุรู้ผลของตัวตนที่แท้จริงแสดงว่าโรคเนี่ยมันถึงเวลาวิกฤตแล้ว พระพุทธเจ้าบอกว่าต่อไปในมนุษย์เนี่ยจะมีหูทิพตาทิพโดยที่ไม่ต้องปฏิบัติเลยโดยที่ไม่ต้องทำเลยไอหูทิพก็คือโทรศัพท์นี่เองอยู่ประเทศไหนไม่ว่าจะอยู่ช่องไหนเขาป่าตำบลอำเภอจังหวัดไหนฮัลโหล ได้ยินเลยได้เห็นหน้าเลยความรักเกิดระหว่างประเทศเลยไม่ได้เกิดเฉพาะหมู่บ้านซะและ้วไม่เฉพาะจังหวัดอำเภอซะและ้วเกิดความรักข้ามประเทศเลยข้ามโลกเลยเข่ะเหินเดินอากาศได้ก็คือขึ้นเครื่องบิน ไม่ต้องแล้วมนุษย์สามารถคิดได้นึกได้ปรุงแต่งได้ไปได้เลยความวุ่นวายเนี่ยมันจะเกิดมากขึ้นอาหารจะเหลือน้อยลงจากหมูตัวใหญ่ๆจะย่อมาเหลือแค่คำเดียวเป็นกุแค่คำเดียวเลยข้าวที่เป็นเม็ดเม็ ด, มดก็จะบดมาเป็นแป้ง ว่าเป็นขนมปังซะเลยต่อไปอาหารเนี่ยไม่อยู่ในกระทะไม่อยู่ในหม้อแล้วเป็นอาหารวิทยาศาสตร์เป็นมนุษย์ที่ถูกทดสอบทดลองเหมือนหนูรองยามนุษย์ก็แปลเปลี่ยนจริตไปต่างๆนาน า, นาหญิงไม่เป็นหญิงชายไม่เป็นชายพ่อแม่ไม่เป็นพ่อแม่ลูกไม่เป็นลูก ผัวเมียไม่เป็นผัวเมียก็ทดสอบทดลองกันอยู่กันไปอาหารก็ไม่เคยเห็นตัวเห็นตนก็โฆษณาเห็นแต่ในทีวีเห็นภาพแต่ไม่เห็นความจริงปัญญาความรู้รอบรู้เชี่ยวชาญ ร, รู้ไปหมดแต่ไม่สามารถที่จะทําด้วยตัวเองได้มนุษย์ต้องอาศัยมนุษย์ด้วยกัน พอเกิดวิบัติจากธรรมชาติมนุษยแ์แก้ไขไม่ได้ก็จะต้องล้มตายไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บพอเกิดอุทกภยัยวาตภายัยอัคขีภัยมนุษย์ก็ต้องรับรู้มีภัยกับธรรมชาติต่อสู้ตัวเองไม่ได้เกิดศึกเกิดสงครามแย่งชิงสร้างอาวุธมาเข็นฆ่ากัน สร้างอาหารมาอุปโภคบริโภคมาเข่นข้ากันมันวิกฤตแหละถ้าเรายังคิดไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ตัวรู้ตนก็ตอนนี้ก็เกิดวิกฤตแล้วบ้านเมืองเรากำลังวุ่นวายสับสนต่างกันเราที่อยู่ในสถานที่แห่งเนี้ยหลายร้อยพันแม่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ ทำไมเรามีอาหารทานโดยอบอ้อมอาริซึ่งกันและกันนี่คือเห็นให้เห็นเลยว่ามนุษย์ขาดความเมตตาขาดการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันขาดการอยู่ร่วมกันโดยฉันมิตรเรียกว่าสามมกขีธรรมกันเพราะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มองเห็นทุกขสุขพรุ่งนี้จะค่อยๆสอนสมาธิเข้าไปเรื่อยๆวันนี้ให้รู้เหตุรู้ผลว่าพรุ่งนี้จะบอกเรื่องของกำเนิดเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเราควรจะรู้คุณค่าแห่งการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็วาระเรียกว่า จะว่ากันเป็นวาระไปวาระที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลามาสามวันแลวสองคืนสามวันจะใช้เวลาเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคาดว่าฝนฟ้าก็คงจะพอสมควรพอสมควรคงจะมีไม่มากเหมือนกับวันแรกๆ แ, แล้ว อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายพายุกระเหมือนกันมันเกิดขึ้นเรายังไม่ตายเลยเห็นแล้วโทรันโดทั้งหลายยังเหลืออีกตั้งสิปลูกทั่วโลกเนี่ยฟิลิปปินส์ยังเหลืออีกสิปลูกเมืองไทยยังไม่รู้เลยว่าจะอีกกี่ลูกเนี่ย ตอนนี้ก็เห็นแล้วน้ำอยู่ดีๆมันก็ดึงขึ้นจากทะเลเนี่ยอยู่ชายทะเลเนี่ยเนี่ยเห็นไฟให้เหลืองเนี่ยตายไปแล้ว 95% ้าปซนะชอบจังเลยบ้านชายเลดูวิวเรากินปลากุ้งหอยปูป้ปลาต่อไปกุ้งหอยปูป้ปลามันก็กินเราผัดกันกิน เราทำลายธรรมชาติทำรายธรรมชาติมันก็ทำลายเราไม่ต้องไปกลัวเสือกลัววิชาอาคมกลัวคุณาศาสตร์คุณสยไม่ต้องไปกลัวผีกลัวสางกลัวนางไม้กลัวตัวเองนี่แหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราประมาทเอาละวันนี้นะก็ะคาว่าร่างกายก็เริ่มจะ เพียบางคนก็จะไปทํางานบางคนก็จะกลับบ้านไอ้ที่อยู่ก็ฝึกต่อไปที่องค์สมมาสมพุทธเอาจาว่าจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วถ้าเราถูกฝึกดีแล้วเนี่ยเราก็มีความสุขในน้อยของเราความทุกข์ที่มากมันก็ลดลงตามอุณหภูมิของสติ ของปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นวันแรกๆหลวงพ่อคงไม่ใช้รายละเอียดจิตที่ละเอียดมากนักพอจะเทศให้มันละเอียดก็เทศไม่ได้เพราะจิตเรายังไม่ถูกฝึกอย่างน้อยต้องสามวันนะทำวัดสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยอาหารก็น้อยลงความสงบเงียบก็น้อยลง ไม่มีความวุ่นวายและน้อยไปหมดเวลาก็น้อยลงทุกคนก็เริ่มแววตาก็ใสร่างกายก็สะอาดสะอ้านหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ได้อาบน้าส่งน้าเลยหนึ่งอาทิตย์แล้วหลวงพ่อใช้น้ำล้างหน้าแปรงฟันไป้สามขวดเนะีก็เริ่มจะประหยัดมากขึ้นเริ่มจะเห็นคุณค่ามากขึ้น กับคนที่เขาแบกเขาหามกับคนที่เขาทาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราพระก็ไปทําห้องน้ําตากแดดตากฝนหอพระมโหสถผ้ายมผู้หญิงก็เก็บกวาดปูเสือปูอะไรพึ่งผ้าใสเหมือนน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าซึ่งกันและกันเอาละเชา้ชาๆอย่างนี้ก็ค่อยๆถ อ, อ, อนสมาธิ เพื่อจะได้กวดน้ำสืบต่อไป